ถึงไม่นางขวางหน้าเอาอาการเกงออกกระพ้าถุงออกผัดพากรม้ข้ามน้ําไปถ้าหากว่าเราไม่เตรียมพร้อมแบบนี้ไปเจอเขาจริงๆไม่รู้ตัวมันตกใจนะเห็นไหมนี่เป็นว่ารู้ตัวเตรียมตัวไว้แต่เป็นนั้นว่าเราเตรียมตัวไว้แล้วก็ราจ้าอรงณ์ให้ตรงที่นึ่ใกล้ความตายนี่ใกล้วันหมรนา น, นุสติกรรมฐานพระโสดา บ, บันกสิทธาคามีเนี่ย ท่งนบอกว่ามีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ว่ามีศินบริสุทธิ์เรียกว่าเราไม่ประมาทในความตายคนที่ไม่ประมาทในความตายไม่มีอะไรดูง่ายๆก็คือรักษาสินบริสุทธิ์นั่เองมันให้ทานไม่มันรักษาศินไม่มันคนํานึงคิดถึงว่าเกิดมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทัดพระขอรักขอช่อบใจเป็นทุกข์มีกรรมแบ่งตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่ว อันนี้ดีตัวนี้ก็คือดีไม่ต้องการเกิดถ้าเราไม่เกิดแก่ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีตายไม่มีพระธาตุแกขอรักขอจับใจไม่มีใช่ไหมไอ้ตัวที่จะไม่เกิดก็คืออารมณ์นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าตายคราวนี้ขอไปพระนิพพานแห่งเดียวไม่ไปไหนไม่เขาถามแกไปได้ไม่ได้บอกได้ไม่ได้ไม่รู้ใครจะไปเห็นไหมมึงจะไปแล้วไม่ไปช่างมึงแต่กูจะไปทั้งหมดเรื่อง มันเรื่องของกูมาเฉลิงของมึงใช่ไหมตอนนี้จะไปได้ไหมลนะ่ะถ้าจิตเราทรงความเป็นระโสดาบันได้ถ้าอารมณ์ของเรารักผลิพานเป็นอารมณ์ตัดไว้เลยแต่ในตอนนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่มีสําหรับเราอีกการเป็นเทวดาหรือผมก็ไม่มีสําหรับเรา เมื่อน่าจะสภาพนี้แล้วเราต้องการจุดเดียวคือพลิตภัณฑ์แล้วเราก็มานั่งในงขาฟานจริงเลยไม้คนที่จะตายที่จะไปในรกปรสวรรธ์ไปพุมโลกผลกิพภัณฑ์ข้าอะไรไปไม่รู้เอาตัวไปเปล่าไอ้ที่ไปนี่คือใจใช่ไหมใ ช, ใช่ตอนนี้ถ้าใจเองเวลางของเราเวลานเนี่ยเรายึดหัวหายคือพรผลเอเฟอรม์มโพโสดาบันไม่ได้ตัดอบยัยวะหมด ถ้าเรามีจุดหนึ่งมันมันตั้งตรงเฉพาะพระนิพพานเนี่ยจิตมันตั้งไว้แล้วาจะไปนิพพานนี่ก็รู้นะว่าเวลาจะไปจริงจริงอาจิตมันไปนี่เวลาตายจริงๆมันก็ไปนิพพานเลยไม่ยากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนเวยาทำดั้งหลายมีใจไปหัวนหน้ามีใจไปเสดสุดสำเร็จในใจใช่ไหมในเมื่อใจมันตั้งไว้เพื่อพระนิพพาน ตายแล้วไม่ไปไหนก็ไปนิพพานนี่เยอะแยะไปที่ก็าททำมาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติตัวตัวนะ่จะต้องเป็นอาหารหันต์วันนี้จนอย่าลืมว่าอารมณ์ที่ตั้งไว้เพื่ออานิาพพานนี่เนะี่ยมันเป็นอารมณ์ข้ า, หารหันตะ์นี่อารมณ์เขามาโซนดา บ, บันเนี่ยเรายันนรกตหักแล้ว่ายามปกติเราคิดไว้เสมอว่าร่างกายนี้อย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ เมื่อเราไม่ต้องการร่างกายของเราแล้ก็ชาติหน้ากายเรามันก็ไม่มีใ น, นเมื่อกายเราไม่มีมันมีหัวมีเมียได้ไหมแล้วผีมันผุ่นผลมีเมียกันได้งไงใช่ไหมนี่ตัวตัดจริงๆมันอยู่ตัวนี้นะเบาๆไม่ยากใช่ไหมนี่สําหรับการฝึกมโนยุธีนี่ก็ฝึกทําไมฝึกเพื่อให้เรารู้ตัวเราวว่าอารมณ์เราเนี่ยมันถึงไหนกันแน่ เราเจะเดินกรรมฐานปกตินี่ดีไปนิพานได้แต่ความมั่นใจของเรามันไม่มีนี่นี่คุณไปห้องผมที่เหนไหมไมาดูไอ้คัเสเตกกรรมสิเป็ะมีนะในห้องอันยนะุ่งกันด้วยนะหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเราต้องการไปนิพานแต่ความมั่นใจมันไม่มีเวลามันไม่แน่นักสิใชไหมดีไม่ดีภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธเออพุทโธในปานิพานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าใช่ไหม ใจบาดทานเขาบอกเป็นเครื่องตัดโลภะความโลภรักษาศีลตัดโทสะความโกรธภาวนาตัดโมหะความหลงภาวนาตัดโมหะความหลงก็ตัดไงถ้าไปตัดอริยสัจมานทีมันตัดยากตัดอริยอริยสัจมันมีวิธีตัดอยู่หลายแบบแล้วว่าตัดแบบง่ายตัดทีโกธมดา เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความแก่ไปได้นี่เป็นอริยสัจนะใช่ไหมเขาวิธีพิจรารณาริยสัจไม่ใช่ไปว่าทุกสิ่งทุดไทยเสมอไปหรอกมันว่าได้กี่อย่างกี่อย่างก็ตามมันไปรงตัวเดียวกันใช่มหมแล้วมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความป่วยไข้ไปได้อันนี้เราไม่ใช่ท่องจํานะเราเน้ไว้ให้เป็นเครื่องไปจำใจว่าการอย่างนี้มันมีกับเราแน่ใช่ไหม เองคนอื่นเขาแก่คนแก่งอกกด้วยเงินหูฝ้าตาฟางแล้วก็ต้องคิดว่าเองถ้ากูแก่ขึ้นมามั่งเนี่ยกูจะทาไงเนี่ยจะวางท่าแบบไหนใจมันมันจริงจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคิดว่าหนีแก่มัห น, นีไม่ได้หรอกไอตัวมีแล้วนี่นะก็คิดวางใจไว้ก่อนว่าถ้าเราแก่เนี่ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมอันนี้ใจมันก็สบายเลยนะใจใจมันก็เริ่มสบาย แต่ว่าเราไม่วางใจไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะยุ่งแต่เม่แก่เข้ามาจริงๆถ้าแก่ขึ้นมาจริง ๆ, แ, งๆแล้วก็ตั้งท่าเพราะตาไม่ดีแล้วลเลียงตัวไว้ตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยตาตาไม่ดีเราจะทำยังไงตัดแบ้นมาใสา่แล้วก็คลำ ม, มันไปไม่เป็นไรงานนี่เคยทําเร็วมันทําช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรตัวติสําัมมสัญญาเรามีนี่แม่กายเขาล่างกายกายมันไม่ดีอย่างนี้เนี่เรารู้ใช่ไหมถ้ากายเราดีมันก็ทําไมแก่ ตอนนี้ครัว่าเรายังไม่ป่วยเห็นคนป่วยเขาแหมนอนคางไปคางมาบิดไปบิดมาก็ต้องนึกว่านี่ตัวเราไม่ชามันก็ป่วยเหมือนกันถ้าเราป่วยอย่างนี้เข้าเราจะวางอารมณ์แบบไหนใช่ั้ยแล้วก็ต้องมองว่าแกมันก็ทุกป่วยมันก็ทุกไอ้แก่ก็ป่วยสองอย่างมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความตายใช่ไ้ย และแก่กระปุ่นสองอย่างนี้ก็เป็นในสัญลักษณ์ของความพัดพลาดแจกของรักของชอบใจถ้าหากว่าแก่ก็ดีมันไม่ถอนความแก่ไม่ชามันก็ตายป่วยถ้ามันไม่ถอนการป่วยไม่ชามันก็ตายอันนี้มันเป็นาการตัดมันเป็นเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วมันเป็นเหตุแห่งความพัดพลาดแจกของรักของชอบใจแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดมันเป็นทุกอย่างนี้ ที่มัเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอาศัยเรามีกายถ้าเราไม่มีกายที่อย่างเดียวอาการอย่างนี้มันจะมีไหมไม่มีแต่ว่าอาการที่ไม่มีกายของเราเนี่ยไอ้กายเนื้อเนี่ยมันไม่มีถ้าจะมีกายทิพย์เพราะทานดีศีลดีภาวนาดีใช่ไหมได้ทานดีศีลดีภาวนาดนะีแต่ว่าถ้าดีไม่ถึงที่สุดที่มันไม่ถึงที่ผ่านมันก็ต้องไปมีกายทิพย์คือกายเทวดา เืียวก็กายที่เป็นชนหนึ่งที่เราเรียกกันว่ากายสมไม่ดีกายที่สองประเภทนี้ไม่ดีถ้าหมดบุญบัติสนามบาดีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นเรื่องเพราะอะไรเพราะเรานี่เกิดเป็นเทวดากับพรมกันมาแล้วนับไม่ถ้วนในเมื่อเราเกิดมานับไม่ถ้วนอย่างนี้มันยังต้องมาเกิดเป็นคนอย่างนี้ถ้าถ้าเราจะไปเป็นเทวดาเป็นพรมอีกทาไมใช่ไหมเลิกไม่ครบมันมนุษย์ก็ไม่ครบ เทวัดาก็ไม่ครบตรงก็ไม่ครบครบตัวไหนครบตัวพานิพานอันนี้อารมณ์ที่เอาที่อย่างนี้ถ้าเราจะเดินด้านสุคราสโกถ้าทรงได้เราไปนิพานจริงแต่ว่าความมั่นใจมันน้อยไปใช่ไหมนี้่พระพุทธเจ้าจะในหาวิธีสอนว่านอกจากหลักโสูตรสุคราชโกแล้วก็มีอีกสามหลักโสูตรคือเตวิโชไดแก่วิชาสาม เทละพิญโยได้แก่ปัญญาหกปริสัมิทาประโตได้แก่ปาริชมิทายานอนนี้การจะฝึกวิชาสามตรงมันก็ยากจะฝึกอภิญญาหกตรงมันก็ยากจะฝึกปริัมิทายานตรงพวกเราก็คอยไม่ไหวเพราะปริัมิทายานในจะปรากฏได้ในเมื่อพวกเราเป็นพระอนาคามีปริัมิทายานในความจริงทำไม่ยาก แต่มันก็ยากสำหรับที่คนมีงานมากคือจะต้องได้กระสินกองใดกองหนึ่งเป็นชานสีแล้วก็คล่องจริงๆเมื่อคล่องในกระสินแล้วเราจะต้องปฏิบัติในโอโรม์ปชานจับภาพกระสินตั้งขึ้นทรงชานสีแล้วก็เพิิดภาพกระสินให้พ้นไปจับอากาศขึ้นมาแทนที่จะนาอากาศนี่มันเวิ้งว่างว่างเปล่านะ มันมีเยโทษทรงทิศิัวทาหาที่สุดไม่ได้ที่เรียกกันว่าอากาสรรานัญญาการสานัญจาย า, า, นจาจตนะจนกระทั่งธรรมกาสานัญจาญตนะตัวนี้เป็นฌานสี่ทรงตัวดีมีความคล่องเมื่อมีความคล่องอย่างนี้แล้วก็วางอากาสรรานัญจายาตนะเสียเข้าไปจับอากิน จ, นาจัญญายาตนะ อกินจัญญายตนะตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์จากความเบื้องว้างบ้างเปล่าแวดอากาศที่มีความเบื้องบ้างบ้างเปล่าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยไอชีวิตของเราก็มีสภาพมอากาศมันหาที่สุดไม่ได้ถ้าเรายังไม่ถึงวัตถุภัณน์เพียงใดมันหาจุดจบไม่ลงเหมือนอากาศอากาศไปที่ไหนมันก็มีอากาศใช่ไหมยูท่าในร่างกายของเราก็มีในมีอากาศในโพรงไม้มันก็มีอากาศในแม่น้ํามันก็มีอากาศในทะเลมก็มีอากาศ ตอนนี้อากาศมันไปที่ไหนก็มีอากาศก็เหมือนชีวิตของเราที่ยังไม่ถึงนิพพานมันก็เกิดกันอย่างเนี้ยเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัติชันบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างวนกันไปวนกันมาหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าอากาศจะหาที่สุดได้ไม่ได้ชั้นใดชีวิตชีวิตของเราถ้ายังไม่ถึงมนิพพานมัก็มีสภาพนี้เกิดไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์ไม่มีที่สิสุดแม่เอา ไม่เอาอารอมณ์นี้เป็นชาติสี่ดีแล้วแล้วก็เริ่มตัดขยับเข้าไปตัวในรูปรชาตไม่ไกลคืออกิจัญญายจต น, นะและวิญญาณัญญาย จ, ะจะตนะวิญญาณัญจายจตนะขึ้นชื่อว่าความรู้สึกในการสัมผัสสัมผัสด้วยวัตถุก็ดีสัมผัสด้วยอารมณ์ก็ดีนี่มันหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสด้วยวัตถุ มันก็ยังแคบในการสัมผัสด้วยอารมณ์เลยวันนี้คนนี้คนคนเดียวกันแม้มาพูดชอบใจเชื่ออกคิใจมันลุ้งขึง้นกระดาษแล้วใช่ไหมเราไมหญิ้มถูกไหมใช่ไหมคนคนเดียวกันเลยนะเดี๋ยวก่อชมเดี๋ยวก็ดา่าเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวก็สังเสริญเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เร่อธรรมดาเนี่นใช่คือถือว่าธรรมดาเลยเราจงถือ ว, ว, ว่าถ้าเรายังมีอาการเกิด อ, อยู่อย่างนี้วิญญาณของเราก็ต้องสัมผัสเกิดความไม่แน่นอนอย่างนี้ใช่ไหม นี่เขาจะเจริญวิญญาณัญญาตะนะจตนาโดยเจริญเรื่องวิญญาณคือขึ้นชื่อว่าวิญญาณคือการรับสัมผัสสันมีอยู่เแี่มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรในหน่อยฉะนั้นขึ้นชื่อว่าวิญญาณประเภทนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกเราต้องการผลิพานถอารมณ์ตัวนี้เรามีความม่นคงตั้งแต่ถึงชาติสี่ไม่มีความหวั่นไหวในชีวิตคิดว่ามันจะตายก็ไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์ที่เข้ามากระทบ จนทั้งจิตส่งตัวก็เชื่อได้ชื่อว่าได้วิญญาณัจนจาจะตระหนชในในรูปปัจจัยนี่พูดถึงว่าเราจะเจริญในด้านปฏิสัมพิธาญาต่อไปเมื่อการนี่มันท่งตัวตามบตินึกทับขึ้นมาจิตมาทรงตัวตามนัม้นไม่ใช่ถ้าเสียเวลาหนึ่งวินาทีนี้ใช้ไม่ได้เนะไปรวบรวมการรวบรวมกํา ล, ลังใจสิ่งหนึ่งวินาทีนี่ใช้ไม่ได้ปุ๊บเดียวต้องได้ทันทีอารมณ์ต้องท่งตัว เสื้ทรงตัวเป็นโกติก็ชื่อวันต้องชื่อว่าได้วิญญาณยตนาชานในรูปฌานต่อไปในเมื่อเราเห็นว่าสภาพคนชีวิตเหมือนกับอากาศห า, าที่สุดไม่ได้พิสัาอภัยสภาพความสัมผัสของวิญญาณหาที่สุดไม่ได้มันก็ไม่ดีมันยังไม่ดีหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดมดาใหา้จบไปจับอาจินญญาณยนตนาชานในอรูปฌาน อากินจัญญาจะนั่นท า, านดีไงว่ามองดูหาความจริงว่าคนก็ดีสัว ก, กดีวัตถุก็ดีที่ปรากฏในโลกนี้ไม่ช้าพาังหมดเห็นไหมคนก็ตายหมดมีคนเหมือนไม่มีคนความรู้สึกของเรามีวัตถุทำเป็นเหมือนมีไม่มีวัตถุเพราะมีความรู้ว่าคนก็ดีวัตถุก็ดีที่คุยกันอยู่เวลานี้ไม่ช้าต่างคนก็ต่างจากกันตายไป นี่ถ้าคนใดคนหนึ่งหรือคนทุกคนตาย ไ, ไปก็กกดีเราก็เฉยเฉยที่ว่าการอย่างนี้เรารู้แล้วหรือว่าเราจะต้องตายจากเขาไปเราก็เฉยเฉยเพราะเรารู้พราสภาพของเราก็ดีสภาพของเขาดีมันไม่เหลือกัได้อารมณ์นี้อารมณ์เป็นฌานสีต่อไปก็จะเลือ่ออีกขั้นหนึ่งละตัวนี้จับในวสัญญานาสัญญาเจตนาฌาน ไอ้เนี่สัญญาณสัญญาจะตระหนชานี่เขาหมายว่ามีสัญญาทำเป็นคนไม่มีสัญญาไอ้สัญญานี่แปลว่าความจําความรักเคยมีความโลภเคยมีความโกรธเคยมีความปรารถนาใดๆเคยมีทำเหมันไม่มีช่างมันมีไม่มีก็ช่างมันทราบสินนี้ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูเดี๋ยวกูก็ตายทําใจเฉยได้ขณะที่ทรงชานนะแต่ว่างานในหน้าที่เราสายครบถ้วน เราถือว่างานในหน้าที่ของเราเราทําตามหน้าที่แต่คนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ช้าก็ตายหมดเราก็ต้องตายจากกันไปใช่ไหมแต่ในเมื่อยังไม่ตายนี่เราทําหน้าที่ให้คบรบถ้วนเขาก็ามีความรู้สึ ก, กว่าอาสามีพัญญาที่อยู่ร่วมกันแล้วคิดว่าสามีนี่ก็แค่ตายพัญญาเขาแค่ตายใช่ไหมใครมันจะอยู่เลยตายเะีือไอ้มีลูกสาวหลานสาวเลี้ยลูกชายหลานสาวเหลีลยงต่ตางๆ เราก็จะควบคุมเขาได้แฉเพาะในขมันนาที่เรามีชีวิตถ้าเราตายจากเขาเขาเต่านี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมฉะนั้นการจําได้ว่าเป็นรูปไป็หลักก็จําอย่างนั้นแหละจํำสถิวว่ามีหน้าเราต้องปฏิบัติร่วมกันแต่ว่าถ้าความตายเข้ามาถึงเราก็วางภาระ ท, ทันทีถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าได้ร่วมฌานสี่ ได้รูปฌานสีแล้วได้รูปฌานสีเรียกว่าได้สมาบัตแปดพอได้สมาบัตแปดก็หันเข้ามาจับวิปัสนาญาณเป็นชื่อวิชาที่วิลขาความเกิดเป็นทุกข์เชื้อราวิลขาความแก่เป็นทุกข์ประนอมวิลขังความตายเป็นทุกข์โศกกริเบเทวทุกขทมนัตบาญาติความเศร้าโศกเสีสยใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดเจ้าของรักของชอบใจเป็นทุกข์ในเมื่อมันจะทุกอย่างนี้เราแต่ว่าเราไม่ยอมทุกข์ ไอ้คำว่าทุกข์นี่มันจะมีอยู่ได้เฉพาะคนงโง่เท่านั้นคนฉลาดไม่มีใครเขาทุกข์ที่เขาไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจะแก่เรารู้ตัวจะแก่เราจะทุกข์ทำไมรู้ว่าเกิดเพื่อแก่แต่ความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเกิดมาเพื่อป่วยเราจะทุกข์ทไมถ้าความตายมันจะเข้ามาถึงแล้วดี ขันห้าพังเดียวเท่าไรเราไปสุขเท่านั้นเพราะอะไรเราต้องการพระนิพพานใช่ไหมขันห้าพังเดียวนี้เราไปพระนิพพานเดียวนี้เสร็จถ้ารมยานี้เกิดขึ้นไม่ใช่นาคามีและไปพระราหันไประบบปริศมิชายานก็เกิดคุมิชาสามนามัญญาหกแม่กว่าจะได้เหนื่อยเห็นไหมนี่พูดเดียวเดียวมันจะทำทจริงๆเหนื่อยมากกว่านี้นะฟังแล้วเหนื่อยไหม นี่ปฏิปไเปลา่าปฏิชมิทายาเนี่ยกว่าจะไดน้นเหนื่อยต้องทำอย่างนี้นะนี่ค่ะ ว, ว่าเราจะปฏิชมิทายาเนี่มาฝึกพวกเราเซตเอวังจิมเอวังจิมไม่ลิมสองบาทไม่า่าดสองสลิงไม่พฟืงหนึ่งเฟืองจบผูกดอเสร็จไม่ไม่หวังหรอนี่ทำไงวิธีนี้ฉันสอนได้ไม่ใช่สอนไม่ได้เห็นไหม แต่ฉันก็เห็นแล้วว่าพวกเรามีภาระหนักทำไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราจะสอนอภิญญาหกอภิญญาหกนี่ต้องได้กสินสิบเป็นฌานสี่หมดแล้วสลับฌานสลับกบสินจนกระทั่งคลองนึกมาอะไได้เมานั้นอา้าวนี่เราก็เห็นแล้วว่าไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะสอนวิชาสามตรง ที่ชาวสามตรงนี้นต้องใช้อารมณ์เข้มแข็ง ม, ม, มากไม่ไหวอีกทอยังไงเมื่อวันที่เก้าทันวาคมสองพันหรอยี่สิบยี่บสองนี่ยี่สยีเอดยี่สิบเอ็ดาะาลังทกากรรมฐานอยู่วันนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาพร้อมด้ฉับพลั น, นสีรสมิหกรร เกี่ยวความจริงที่พระยาสอนหลักโสูตรอีกสามประการอย่างหลังเนี่ยท้อใจคิดว่าไม่ไหวแล้วสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้พระยขอตัดจะสอนเฉพาะสายสุขภิวิปัสสโกอย่างเดียวแต่วิปัสสุขภูวิปัสสโกนี่เราสอนได้แต่ถ้าว่าผลที่บุคคลจะพึงได้เนี่ยอารมณ์ไม่มั่นคงเพราก็เหมือนกับคนเดินทางในเดือนมืด หรืว่าเดินทางกลางวันจะเแาเนตาดำปีใส่ลูกตากมันมองไม่นทางใช่ไหมต้องการจะให้ใช้วิชาสามด้วยปัญญาเนี่ยมันเห็นชัดว่าเวลาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราถึงไหนแน่นอนไม่ใช่เดาส่งว่าตายขึ้นี่ไปนี่ผานตายไปนี่ผ่านดีไม่ดีพ อ, อยาตายไปนึกข่วงอะไรค้อนิดมันไปไม่ได้นิ่พ่านก็เลยท้อใจแต่ท้อใจก็ทํำยังไงนี่ไม่ฝึกใครก็ทําไม่ได้ คือใครก็ทไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอายังไงงก็่างเลยสอนแค่สุ ข, สขวิปัสสโกอย่างเดียวก็พอตอนนี้พอเราถอนท่านมาท่านมาเสด็จมาท่านก็ทรงโปรดว่าคุณไอหลักสูตรสี่ระการเนี่ยเมื่อคุณปฏิบัติมาคุณทำกันได้และก็ไม่หนักสาหรับพวกคุณเพราะสมัยนั่นคนมีสัญญ า, ากับปัญญาเข้มแข็ง จะมีการต่อสู้กับอารมณ์ได้ดีมากแต่ว่าเวลานี้เนี่ยคนมีสัญญากับปัญญาซามลงมากถ้าคุณจะฝึกแบบที่คุณทํามาแล้วนี่มันก็เหมือนกับให้เขาอุ้มช้างอาบน้ำํำหวานแนตะ่ช้ า, ชาน้ำตาลกับเขาอุ้มคลองนะตัวเล็กๆนะนี่ถ้าหมายดิ้ชงช้างธรรมดาเอาคนไปอุ้มช้างอาบน้ำเป็นไปไหวไหมโยมไปได้นหะม ช้างอุ้มเราแล้วเราอุ้มช้งไม่ได้มันดีมันต้องให้ช้างอุ้มเรานะตอนนี้ถ่านอะไรบอกว่าเอานี้สิคุณถ้าจะสอนให้ได้แล้วก็ต้องใช้วิชาสามกับอภิญญาเล็กคำว่าอภิญญาเล็กหมายความอภิญญาที่มีหกเราตัดเอามาหนึ่งคือมโนยุธิกับวิชาสามเข้ามาบวกกันทั้งสองอย่างเอาสองอย่างขึ้นมาบวกกันอย่างละน้อยไม่ใช่อย่างละมาก คือตอนธรรมดาวิชาสามอดีพิญญา็ดีนี่เขาต้องใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานแต่ว่าท่านบอกว่ามันนี่เราไม่ใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานเนื้ขึ้นใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานไม่มีใครได้หรอกได้แสนหนึ่งจะได้สักคนสองคนก็ต้องใช้สมาธิต่ําคือใช้อุปจารสมาธิเป็นพื้นฐานสําหรับในการก้าวขึ้น เ้าท่านเราเลยแนะนําวิธีสอนให้ก็ อ, อย่างที่เราสอนที่นี่ยใช่ไหมนี่เป็นวิธีสอนที่เบาที่สุดที่เราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่พวกเราแตนที้การสอนอย่างนี้มันเป็นยังไงเรารู้ตัวของเราใช่ไหมถ้าเราปฏิบัตนินี่ถ้าเราขึ้นจุลามุนีไม่ได้เข้าไม่ได้ไอชาตินี้เนี่ยมันเข้าวสวรรค์ไม่ได้หรอกมันมีทางขึ้นสวนรรค์แล้วแต่ว่าถ้าเขาจะปฏิบัติตามสายสุขเวสโกรมันได้แล้วก็ ไปได้นะตอนนี้มาดูท่านนี้แล้วก็มาพิสูจน์ใจเราว่าเราเข้าพระจุลามุนีได้ไหมถ้าเข้าพระจุลามุนีไม่ได้ในชาตินี้อย่าพึงหวังในเรื่องสวรรค์นี่เฉพาะตามสายนะเพราะอะไรพระจุลามุนีนี่เขาเข้ากันแค่ขั้นอปปจารสมาธิแล้วก็ศีลบริสุทธ์เท่านั้นคนที่เข้าพระจุลามุนีไม่ได้พิสูจน์แล้วทุกคนศีลไม่บริสุทธิ์ นี่เป็นเคื่อรู้ตัวเองใช่ไหมพอเข้าพระจุลามุนีได้แล้วก็เที่ยวในสวรรค์ให้การมาวาจรหกชั้นให้มันทั่วส บ, สบายสบายถ้าเราจะมีความรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ถ้ามีความพอใจสวรรค์จิตใจยังไม่รักผมยังไม่รักให้พานอันนี้ถ้าเราเที่ยวในสวรรค์ได้เราก็รู้ที่อยู่ของเราแล้วก็ต้องถามว่าเท่าบุญบา ร, รมีที่เรามันเป็นแล้วนี่เราวมีวิมานอยู่ตรงไหน ถ้าเรามีวิมานอยู่ตรงไหนแล้วก็ขอให้มีเราไปที่วิมานของเรามันก็ไปทันทีไอ้บุญที่เราทําเนี่ยวิมามนมันมีแล้วแท้ใจเราไม่รักพรมไม่รักนิพพานก็สนแสดงว่าวิสัยของเรามันแค่สวรรค์แล้วพอถึงวิมานพราเข้าไปถึงวิมานปั๊บไอ้ร่างกายเดิมมันก็เปลี่ยนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวยสดสวงามพอเข้าในวิมานแล้วจิตมันก็เริ่มเหยียดความเป็นมนุษย์ความพอใจในความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีสําหรับเรา เราก็คิดว่าถ้าเราตายเมื่อไรเนี่ยเราได้มาอยู่ที่วิมานดังนี้เราจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราจะมีความสุขอย่างนี้ความมั่นใจมันก็เกิดใช่นะโยมถูกไหมเมื่อความมั่นใจเกิดเราก็รู้ว่าเราตายไปมาสวรรค์ได้ความสุขใจมันก็เกิดแต่นี้แต่หากว่าเออไงขัดเสร็จมันช้ำยังไงที่ห่ออะไรมันเนี่ยากลัวมันจะหมุนเร็ว ตอนนี้เราก็มาดูกำลังจิตต่อไปนอันนี้เปลี่ยนมาได้ไหมทีมหามาเรียกบิดาบาดพระสงฆมีหอบหูดจริงๆเลยวะ่ะเจ็บฝึกทำหอกอะไรเขาฝึกอยู่แล้วทาไเปฝึกนใจหรอกไอ้ที่ไอ้ที่ก็ฝึกแล้วทำมันได้มันก็เหมือนกันแ่ะเดียก่อนเดียก่อน เอต่อไปถ้ออาจิตของเรายังไม่ไม่คลายอารมณ์ความ พ, พอใจในด้างของสวรรค์ก็เป็นอันว่าเราก็เป็นสวรรค์อะไรเนี่ยปราศัยประชาชนที่ไหนวะไม่ไม่จําเป็นไม่จํำไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นจะทับไปเลยเราก็ต้องคิดว่าไอ้ขึ้นชื่อว่าสวรรค์เนี่ยมันไม่มีสภาพทรงตัวนะเพื่อนร่วม มันมันไม่มีเออมันไม่ไม่มีสภาพทรงตัวเราไม่เอาเที่ยวสวรรค์เทอานีะใส่ใช้ได้แน่ดีแล้วก็พยายามฝ่าผมก็เที่ยวสวรรค์ให้มันเพลิดเพลินไปทุกชั้นพอเที่ยวสวรรค์ไปนานๆเข้าอารมณ์มันจะชินเต็มพออารมณ์เต็มสวรรค์มันก็เบื่อสวรรค์เบื่อสวรรค์อารมณ์ก็พอใจในพรมั้งตรงนั้นเราพยายามไม่ต้องหยาบเมื่อพอใจในพร ทีมารที่มันตั้งอยู่สวรรค์มันก็ขึ้นไปอยู่พรมนี่พอขึ้นถึงพรหมแล้วอารมณ์จิตมันจะเหยียดสวรรค์พระพรหมก็มีความสุขกวา่านี่เราเที่ยวไปพรหมให้มันชุม่มชื่นต่อไปถ้าอารมณ์เต็มพรหมก็ถึงนิพพานตอนนี้เวลาที่เราฝึกกันเราไม่เอ า, อานั้นอันนี้เลยเออดีที่เราฝึกกันเราเราไม่เราไม่ทําแบบนั้นเราต้องการว่าถ้าเข้าถึงพระจุฬามันในเข้าในพระจุฬามันเ ไ, ได้ นี่สนแสดงว่าอารมณ์จิตของเราเนี่ยเข้าถึงฌานสมาบัติเบื้องต้นแล้วก็เป็นคนมีศีลบริสุทธิ์นี่มันวัดตัวเองจริงๆถ้าเราไม่มีเครื่องวัดจริงดีไม่ดีเราไปทําชั่วเราไม่รู้เราชั่วหรอกเจ๊ะไหมแต่เราวัดตัวเองพอเข้าถึงอยู่รามณีแล้วครูเขาจะนำพริพพานเลยอันนี้ถ้าอารมณ์จิตของเราขึ้นถึงพระนิพพานได้จิตมันก็เป็นฌานสี่ แต่จขึ้นบริภานได้หรือไม่ได้เป็นขึ้นอยอารมณ์ตัดในวิปัสสนา ญ, ญาณใต้ขันห้านี่ครูเขแนะนําเราต้องจําแล้วก็อย่าไปจํามันจะเพราะเวลาที่ครูเขสอนเราจําจากเวลานั้นแล้วก็จําไปนึกไว้ทุกวันตัดมันทุกวันทุกเวลา น, น, นี่อารมณ์ของเราขึ้นบริพานได้แล้วก็ดูความผ่องใสในพระนิพพานอารมณ์ของเราคือร่างกายของเราที่ขึ้นไปบริพานเนี่ยแสงสว่างเท่าพระอริยเจ้าไหม ถ้าเวลาที่เราจะขึ้นไปได้ในอารมณ์เรามันเข้าถึงความเป็นพระอริยะแต่ว่าเวลาที่เรามาเกาะคันห้าเนี่ยอารมณ์อันนั้นมันทรงหรือเปล่าก็ให้อารมณ์มันทรงไว้อย่างเร็วที่สุดก็ต้องทรงความเป็นประโสูตรดาศิริาคาเราจะรู้ยังไงว่าเป็นประโสูดาศิริาคารเมื่อยางว่างกําลังตามน้าพริกอยู่นึกเอ้ะขึ้นไปบนจุลามณีเดี๋ยวหรือ่าไอ้มือก็โคลงต้มพริกโย่เนี่ยเอาใจตัวมขึ้นไปมันแยกก็ได้ทันที พอขึ้นไปปุ๊บเอาจิตเข้าไปเทียบเอาตัวเข้าไปเทียบกับประโสูดาบันนี่อารมณ์ใจเราเน่นั่งกายเราสว่างเท่าทำไมเรือสว่างเท่าวัศิธาคามีผู้ครองเรือนจะสูงได้สองอย่างประสูดากับวัศธาคามีถ้าขึ้นไปปุ๊บปั๊ บ, บมันเทียบได้กับประโสดาและวัศิธาคามีก็ลองจับว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานได้ไหมไประหันไหม อาะพเจริญได้ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้รักษาสมีร่างกายพระเจ้าสว่างเท่าพระรหจริญมันจะสว่างจ้าเพิบเข้าไปติดชิดอยู่ลดหลังกันนิดหน่อยเหลือบ้านาบ้านาคามีแต่ตั้งกว่าพระอรหัตผลอย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ของเรามีผลที่จะเป็นพระรหจนิญได้เมื่อตายเห็นไหมไปเชิงวัดใช่ไหมนะนี่ต้องทําแบบนี้บ่อย แั่นค่ว่าเราทําแบบนี้บ่อยความมัม่นใจของเรามีแล้วก็รู้ตัวในวิมายของเรามีอยู่ที่นิ่ผานแล้วก็รัศมีกายของเราอีกขนาดหนึ่งเราก็สามารถจะทําพระรัศมีกายรัศมีกายขอยงเราเทียบเท่ากับพระอรหัตมรรคได้ต่างกว่าพระอรหัตผลนิดหน่อยวันนี้เราก็ต้องจําอารมณ์อารมณ์ของเราที่มันมีความมีรัศมีกายสว่างเท่าพระอรหัตมรรค ขนาที่อยู่ที่บริพัย์ต้องขึ้นไปบ่อยๆทํำตนไปทุกวันทุกวันแล้วก็ทําอารมณ์อย่างนั้นทุกวันแล้วก็จําอารมณ์ไว้เวลาที่ไอ้ร่างขันท่ามันเข้ามาเกาะกายเนี่ยกลับมาก็องพยายามขับอารมณ์ปัจจุบันที่ขะน่ามันเกาะกายให้มีสภาพคล้ายคลึงอย่างนั้นเป็นคนปกติเพราะว่างานในท่านหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือเนี่ยเราทั้งงานทั้งพ เมื่อทำงานนั่งครอบตวนแต่ว่าจิตอีกดวงหนึ่งคิดว่าเราทำ ง, งานครา้นี้เป็นฉากสุดท้ายในชีวิตตาไปไม่ น, นีมนุษย์ลกแล้วไม่เกิดเทวโลก